ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเทวรัหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องโอวาทบางตอนสมมุติและวิมุต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 หมายถึงกู้ปฏิบัติจนเชื่อต่อพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟนไม่เสื่อมคลายรู้เท่าทันสังขารพยายามสลากความยึดมั่นถือมั่นให้น้อยลงมีจิตเข้าถึงคาสูงขึ้นเป็นขั้นๆ้นท่านเหล่านี้เรียกว่าพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีชั้นสูงได้แก่ผู้ปฏิบัติ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 ครั้นรู้จักวิมุตต์แล้วก็รู้จักสมมุติก็จะเป็นผู้รู้จักธรรมะอันหมดสิ้นได้ก็เหมือนเราทุกคนนี่แหละแต่เดิมชื่อของเราก็ไม่มีคือตอนเกิดมาก็ไม่มีชื่อที่มีชื่อขึ้นมาก็โดยสมมุติกันขึ้นมาเองอาตมาพิจารณาดูว่าเอสมมุตนินี่ถ้าไม่รู้จักมันจริงๆแล้วมันก็เป็นโทษมาก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 ว่าเอาหัวมาให้อาตมาลูบก็สมมุติลงไปว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรจริงๆลูบอยู่เหมือนหัวเผื่อหัวมันแต่ถ้าเราไปลูบอยู่กลางทางไม่ได้แน่นอนนี่แหละเรื่องของการยอมการละการวางการปรง่งทำได้แล้วมันเบาอย่างนี้ครั้นไปยึดที่ไหนมันก็เป็นพบที่นั่นเป็นชาติที่นั่นมีพิษมีภัยขึ้นที่นั่น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 เราจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไปจึงอยู่ได้ทําให้อาศัยสิ่งเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะบําเพลิภาวนาจะสวดมนต์ทำวัดจะนั่งพิจารณากรรมฐานก็จะสำเร็จประโยชน์ให้ท่านไม่ได้ในเวลานี้จะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปติดสิ่งเหล่านี้อย่าไปหลงสมมุติอันนี้อย่าไปติดปัดจจัยสี่อันนี้มันเป็นปัใจจัยให้ท่านอยู่ไปอยู่ไป